ไฟที่ถูกความร้อนบันดาลให้ลูกติดยอดไม้แห้งขึ้นเองเหล่านั้นปรากฏไล่หลังมาเป็นลําดับใช้ถาเป็นห่วงพวกลูกหาบอย่างที่สุดเพราะคนพวกนั้นต้องแบกหามของหนักไปพร้อมกับการวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อการเอาชีวิตรอดเขาตะโกนบอกชัยยานให้คอยระวังดูแลน้องสาวกับมาเรียไม่ให้เตลิดออกนอกทางไปด้านอื่นตนเองถอยลงมาปิดหลังอยู่ท้ายขบวนคู่กับพระพินร้องตื่นพวกลูกหาบที่รีบเร่งสีเท้าอยู่ตลอดเวลา พวกกองถ้ามันไม่ไหวแล้วสละของเถิดหนีเอาตัวรอดทั้งสองซึ่งวิ่งเหยาะๆเหลียวหน้าเหลียวหลังส่งภาษากันด้วยเสียงตะโกนยังก่อนจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายผานใหญ่แผดเสียงฝ่าเสียงพายุและเสียงไฟที่คำรนอยู่รอบตัวมาพวกพวกพวกขากจะวิ่งกันต่อไปไม่ไหวมันหนักของถ้าไม่ไหวจริงๆพวกนั้นจะทิ้งของเองยังมีกาลังอยู่เอาสัมภาระของเราติดตัวไปให้ถึงที่สุด เขาตอบแล้วร้องกัมชับสังพวกลูกหาบทั้ง3ามคู่ให้พยายามแบกหามของไปจนถึงวินาทีสุดท้ายพวกผานพื้นเมืองของเขาทั้ง4ี่คนรวมกับขยินและสั่งปา ก, ก็ทอละหดเหลือร้ายคนเหล่านั้นไม่มีใครแสดงท่าทีว่าจะยอมสละของที่แบกหามอยู่แต่พากันวิ่งตะบึงไปจนกำลังเท่าที่มีอยู่ซึ่งในภาวะที่ความตายกระชั้นไล่หลังมาเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะเพิ่มทวีขึ้นอีกเท่าตัว อันเป็นสัญชาตญาณดิ้นรนของมนุษย์สักทั้งปวงยามเมื่ออันตรายมาถึงตัวสภาพเช่นนี้มันทุรักทุเลเหลือที่จะกล่าวได้ของคนทั้ง11ชีวิต ชายันนั้นถินซะแล้วสําหรับภาระรับผิดชอบแบ่งแยกหน้าที่เขาไม่จําเป็นจะต้องหันมาห่วงหลังอันเป็นภาระของเชิดถากราพินอีกแต่นําขบวนตะลุยขึ้นไปเบื้องหน้าบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดก็คือดารินบาราริสเกรงว่าความตนกตกใจควบคุมสติไว้ไม่ได้เท่านั้นจะทําให้หล่อนแล่นตเตลิดออกนอกทางชายันคว้าข้อมือไว้แน่นนําวิ่งกระเสาะกระเซิงไปด้วยกันชนิดที่ไม่ยอมปล่อยมาเรียนนั้นเขาไม่ห่วงเลยเพราะเชื่อมือดีอยู่แล้วแบม สาวติดหลังมาอย่างกระชั้นชิดในที่สุดต่างก็กระจิดกระเจิงมาถึงบริเวณลานกว้างหน้าปากถ้ำที่ผ่านกันมาก่อนแล้วเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเสียงรับผินตะโกนบอกพร้อมทั้งชีท้ทิศให้ย้อนตามเส้นทางเดิมต่อไปมาเรียซึ่งสัญทัก์ในหนทางมากกว่าชั ย, ยันจึงรับหน้าที่ออกนําหน้าแทนแต่แล้วพอทั้งหมดผ่านหน้าถ้ำจะวกย้อนลงมาสู่ปากตีนเนินบื้อต่ําระยะห่างมาเพียงไม่กี่สิบล้านนั่นเองก็ต้องหยุดชะงักลงกับที่ เสียงช้างแผดระงมประดังกันขึ้นจนกบสับสำเนียงใดๆในขณะนี้ลงหมดสิ้นดังสวนขึ้นมาจากเบื้องล่างมันอื้ออึงโกรธจ้าสถานสะเทือนความรู้สึกของทุกคนยามนี้เหมือนกับว่าโล ก, กันกับสันดาบเคลื่อนเข้าชนกันโดยมีตนเองอยู่ตรงกลาง เสียงนั้นบอกให้ทราบถึงปริมาณของมันได้อย่างดีคงไม่ใช่โครงขนาด 20-30 ถึงสาตัวซะแล้วแต่กองทัพของช้างป่าทีเดียวกองทัพหรืออีกในหนึ่งคลื่นของคคชสารซึ่งแตกเตลดิดหนีไฟป่าแล่นสวนทางขึ้นมามันมีสิทธิ์โดยทางธรรมชาติที่จะรักชีวิตและหลีกหนีภัยจากพระเพิงในขณะนี้ได้เท่าเทกับ่ายมนุษย์เหมือนกัน เสียงของป่าที่แตกเนินลู่ถลม่มคลื่นโครมอันดังสวนมาทางนั้นอุปมาณหนึ่งเหมือนลถถางทั้งกองกําลังดาหน้าเข้าหาแม้ว่าจะมองไม่เห็นตัวในขณะนี้เสียงของมันบอกให้รู้ว่าไม่ห่างออกไปนะักควานจากฝุ่นทุลีลอยตีนนับร้อยๆอยคู่ที่ห่อตะบึงและควันมาจากมาหาอักขีอันเป็นหมอกหนาะเห็นจับอยู่ยังยอดไม้แห้งส่วนที่ต่ํากว่าลงไปซึ่งบริเวณหุบนั้นโอ้โน oh, no. มาเรียฮอฟมันยืนตัวแข็งกอดไรเฟริลไว้กับแนบ อ, อกหลุดตากออกมาด้วยเสียงกระซิบขณะที่ตาลืมโพงจ้องไปเบื้องหน้าชัยยันเองในขณะนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกดึงเอาดารินเข้ามากอดไว้แน่นเหมือนคนที่มองเห็นวาระสุดท้ายของตนเองรออยู่ข้างหน้าในอนาคตอันใกล้โดยสุดที่จะแก้ไขหลีกเลี่ยนได้อีกแล้ว ชัยยันนี่คงจะเป็นวาระสุดท้ายของเราแล้วกระมังราชสกุลสาวคลางออกมาอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงทอดอะไรทำใจดีๆไว้น้อยมันจะต้องไม่วิ่งสวนมาทางนี้คงแตกไปทางอื่นมากกว่าอาดีตนายทหารปืนใหญ่แข็งใจเป่าพื้นสาวด้วยเสียงแหบต่ำตกเบาๆที่ต้นแขนแต่เขาก็ไม่อาจขยับขยื่นอย่างใดได้ซสแล้วในขณะนั้น ทั้งสามคนที่พาการยืนนิ่งมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อถูกกระชากโดยแรงจากผานใหญ่และเชิฐถาแล้วหูก็สำเนียกเสียงตะโกนกับหนีขึ้นหน้าถ้ำมาเรียถูกรับพินผักหัวสุกหัวซนถลาไปก่อนต่อมาเขาก็กระชากไหลาช่ชายยันเซผงะในขณะที่เชิดากระโจนเข้ามาฉุดมือน้องสาวกระชากออกพาวิ่งจนสุดชีวิตยามนั้นพวกลูกหาบทั้งหกโกลีแนบย้อนไต่ขึ้นไปทางบนหน้าถ้ำอันเป็นแผ่นดินส่วนเดียวที่จะวิ่งไปยึดเพื่อยืดชีวิตได้ในขณะนี้ ระหว่างที่คนอื่นแล่นถลาออกจากที่จอมพานหันหน้ากลับไ ป, ไปเผชิญทางด้านที่กองทัพช้างหมีไฟแล่นตะบึงสวนทางเข้ามานั้นเหมือลำกล้องไลเฟอร์ขึ้นฟ้าเหนี่ยวกายปล่อยกระสุนระเบิดตูมขึ้นนักหนึ่งเป็นการยิงไล่ ปราศจากผลโดยสิ้นเชิงกำปรปนาดปานฟ้าผ่าของกระสุนขนาดจุด4 5 8แมกนัมไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นสำหรับช้างตาอันกำลังแตกตื่นโครงนั้นหรือมิฉะนั้นอำนาจพระเพิงที่ลูกไม้ไล่หลังมันเข้ามาก็มีอิทธิพลอยู่เหนือกว่าไม่มีท่าทีเลยว่ามันจะตกใจเสียงปืนเบนทิศทางไปทางอื่นคงส่งเสียงร้องอยู่แปนแปนย่ำบุกตะลุยตรงเข้ามาเป็นพายุบุกแคม เสียงร้องเหล่านั้นเป็นเสียงที่สัมเดงถึงความตื่นกลัวลนลานมากกว่าที่จะเป็นเสียงแห่งความโกรธแค้นหรือสนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นบางทีพวกมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยซ้ำพันใหญ่ก็หันหลังกลับวิ่งอย่างไม่ยอมเลียวลางตามพักพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วเพราะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุดว่าหมดโอกาสที่จะขับไล่หรือยับยั้งมันได้เสียแล้ว เช็ดทาคอยส่งมือให้จับฉุดกระชากเขาพ้นจากขอบอันสูงชันขึ้นมาพวกลูกหาบได้รับคำสั่งให้วิ่งไปคอยอยู่ปากถ้ำก่อนแล้วปัด น, นี้หน้าบริเวณลานคงมีแต่คณะนายจ้างและพานใหญ่ที่ยืนกระหืดกระหอบกันอยู่มองเห็นไฟกินลามล้อมใกล้เชิงเขาเบื้องล่างเข้ามาทุกทิศความร้อนแรงที่แผดเข้ามาแทบจะทนอยู่ไม่ได้ดาวรินกับมาเรียสำลักควันไฟจนตัวงอ แล้วบัดนั้นเองท่ามกลางป่าทุกด้านอันกลายเป็นทะเลเพิงเงาของภูเขาเคลื่อนที่เหลือที่จะขนานับได้ก็โผล่ออกมาจากป่าตีนเนินพร้อมกับเสียงแซ่ระ ง, งมปานฟ้าถล่มโลกทลายของพวกมันใช้งวงผักดันกันเอง ชิงกันบ่ายหน้าวิ่งเหวียาเหวอย่างไม่เป็นระเบียบเหมือนมดแตกรังตรงมายังชายผาหน้าถ้ำที่มนุษย์ขึ้นมายึดอยู่ก่อนแล้วมันตรงขึ้นมาบนนี้ชายยันละล่าละลักออกมามันกำลังหนีไฟอย่างเดียวกับเราเหมือนกันมากมายเหลือเกินเป็นกองทัพทีเดียวจะหลบไปทางไหนกันนี่เชิดถากระสับกระสายแทบจะระเบิดยามนี้หัวหน้าคณะเองพูด จัดว่ากำลังใจดีเยี่ยมก็แทบจะควบคุมสติไว้ไม่ได้ในภาวะคับขันขีดสุดที่จะมองเห็นอยู่ตํามตาระยะนั้นห่างลงไปประมาณ150ลา้าและคืบใกล้เข้ามาทุกขณะอย่างรวดเร็วทิศ ท, ทางการบ่ายหน้าของมันไม่มีการหันเฮไปทางอื่นแน่นอนนอกจากจะไต่เนินตรงขึ้นมาอย่างปากท่ามที่มนุษย์ขึ้นมาหลบอยู่ซึ่งความจริงมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะรอบด้านไฟกําลังลามใกล้เข้ามาทุกทิศไม่มีหนทางอื่นจะวิ่งฝ่าไปได้เลย พิปตาต่อมานั่นเองไรเฟริลกระบอกหนึ่งในกลุ่มก็แผดเสียงกึกก้องขึ้นมันมาจากมาเรียฮอฟมันนั่นเองไม่ทันจะขาดเสียงภาพที่เห็นเจ้าตัวใหญ่ที่วิ่งหัวโยกดุมดุ ม, ดมนำหน้าใกล้เข้ามาที่สุดสุดคว่ำลงอย่างไม่เป็นท่าแล้วชั่วงเสี้ยววินาทีนั่นเองร่างอันมาหึมาที่ลงกลิ้งอยู่กับพื้นของมันก็ถูกคลื่นของพวกมันเองซึ่งวิ่งตามมาเบื้องหลังเหยียบย่ําข้ามตัวบางมิตรหายไปหมด เพราะการยิงนำขึ้นก่อนโดยไม่มีหนทางจะปฏิบัติอะไรให้ดีกว่านี้นั่นเองแช่ทาชายยันและดารินก็ประทับไรเฟริลประจมือขึ้นไหล่ต่างล่างกายกึดกล้องประสานกันลงไปความหวังเพียงกระผีตาเลนก็คือบางทีเสียงปืนและการล้มตายของพวกมันอาจทำให้ทั้งโครงหยุดชะงักหรือเปลี่ยนเส้นทาง ภาพที่ปรากฏต่อมาจึงเป็นภาพที่ชวนสังเวชสามสี่ตัวม้วนคว่ำลงไปอีกพร้อมกับส่งเสียงร้องแหลแมยาวโหยหวนแล้วก็ถูกเพื่อนๆของมันเองเหยียบกระชื้ผ่านพ้นไปอย่างชนิดตัวใครตัวมันตะลุยบุกตรงแนวเข้ามาตามเดิมรับผิดคนเดียวเท่านั้นที่ยืนถือปืนเฉยเบิกตากว้างจ้องไปยังภาพเบื้องล่างอีกสี่คนของคณะนายจ้างสลัดปอกกระสุนอย่างรวดเร็วหมายจะยิงสกัดกั้นลงไปอีกแต่แล้วราวกับนัดกันไว้ไรเฟริลทั้งสี่กระบอกจ้องค้าง ไม่มีใครลั่นกระสุนนัดที่2ของตนลงไปอีกเลยไม่มีประโยชน์เราส ก, กัดมันไม่อยู่แน่มันยกผยงใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเชิฐาละล่ำละละักเหลือพวดพลาดไปรอบๆจะมองหาที่หลบกำบังแต่ก็มองไม่เห็นที่ใดจะหลบกองทัพช้างที่กำลังตะลุยตรงเข้ามาเหล่านั้นได้เลยนอกจากก้อนหินย่อมๆที่มีอยู่หน้าบริเวณปากถ้าไม่กี่ลูก แล้วโดยสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดไม่จำเป็นต้องเอ่ยบอกกันเช่นไรทั้ง4ี่คนถอยผ่าจากที่มั่นเดิมวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตตรงเข้าไปยังตำแหน่งปากถ้ำที่พวกผู้หาพะวาพะผวังรวมกลุ่มคอยกันอยู่ที่นั่นก่อนแล้วและพินเป็นคนสุดท้ายที่ยืนสังเกตท่าทีการบ่ายหน้าตรงเข้ามาขอ ง, ของโครงช้างจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนั้นเสียงเชิฐากรถช ย, ยันและใครต่อใครอีกหลายคนแผลตกล ร, ร้องเรียกเขาฟังไม่ได้สัก ดใจต่อมาเขาจึงวิ่งเหลียวหน้าเหลียวหลังตรงเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกพ้องซึ่งบัดนี้สีหน้าแทบจะไม่เหลือความเป็นผู้เป็นคนมันหนีไฟขึ้นมาบนนี้แน่และเราก็ไม่มีทางที่จะหลบนอกจากจะถูกเหยียบแหลกหมดถ้ายังยืนกันอยู่ตรงนี้จอมผานพูดเร็วปือตายดาบหน้าทุกคนหนีเข้าไปในถ้ำนั่นเร็ว เชิดข า, าประกาศกล้องบอกมือไล่พวกผูกหากให้ล่วงหน้าเข้าไปก่อนชายยันก็ใช้ส่วนยาวของไรเฟิลผลักดันหลังให้พวกนั้นกระเจดิดกระเจิงเข้าไปในอุโมงค์อันมืดลี้ลับพังต้อนดาริงกับมาเรียให้ตามติดเข้าไปด้วยเชิดขาตรงเข้ากระชากแขนพานใหญ่ผู้ยังกระสับกระสายรีรอยอยู่ปากทางแต่และพินร้องบอกว่ า, ค, าคุณชายเข้าไปก่อนไม่ต้องห่วงผมผมจะตามเข้าไปทีหลัง อย่างรู้มือกันดีอยู่แล้วหัวหน้าคณะเพ่นออกจากที่ตามกลุ่มของพรกพวกที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนโดยเร็วทิ้งให้จอมพานคุมเชิงสังเกตการเป็นทับหลังทั้งขบวนบุกตะลุยเดินเครื่องวิ่งงมกันไปในหนทางอันไม่รู้อนาคตนั้นอย่างตามบุญตามกรรมไม่มีใครคิดถึงปัญหาอื่นใดไ ด, ได้นอกจากมหันตภัยที่ไล่กระชั้นมาเบื้องหลังอันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้เท่านั้นกูตะโกนเรียกหากันอยู่ตลอดเวลา มันไม่มีครั้งใดของเหตุการณ์ที่จะสับสนจ้าระหวั่นจนตัวเท่าครั้งนี้หนทางนั้นเมื่อแรกก็พอจะมีแสงสว่างสองให้เห็นอยู่บ้างคันแล้วมันก็ค่อยๆมืดมนลงทุกขณะเมื่อล้ำลึกเข้าไปในที่สุดก็เหมือนคนตาบอดที่เปะปะกระเซิร์กกรเซิร์นเข้าไปในราตรีอันดำสนิทต่างชนปะทะแง่และขดหินเหลี่ยมมุมที่ขวางดักอยู่ล้มลุกคุบคลานอโศกมาฏแล้วก็ช่วยกันหอบพิมพุดดึงกันขึ้นมา เสียงร้องอุทานด้วยความเจ็บปวดตกใจเสียงกูเรียกและสอบถามแซ่ซั่ไปหมดเชษฐาตะโกนเรียกชื่อน้องสาวอยู่ตลอดเวลาด้วยความว้าวุ่นเป็นห่วงเหลือที่จะกล่าวตัวเขาเองก็สะดุดหินล้มขมามาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็พยายามตะเกียบตะกายยันตัวขึ้นมา ม, มตามหลังขบวนต่อไปอย่างจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโดยอาศัยเพียงเสียงฝีเท้าและเสียงร้องอุทานที่ยังอยู่เบื้องหน้าเป็นเครื่องหมายบอกทาง คลั้นแล้วอึดใจต่อมาใครคนหนึ่งในกลุ่มพานพื้นเมืองก็สามารถเอาใต้ขึ้นมาจุดได้ยกชูขึ้นส่องทำให้ช่วยมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ลางๆท่ามกลางผนังหินรอบด้านซึ่งแยกแยะออกเป็นช่องเล็กช่องน้อยราวกับทางเดินของลังปวกการมุ่งหน้าไปจากจุดหมายหลักเกณฑ์ที่แน่นอนสุดแล้วแต่คนข้างหน้าจะนาไปเช่นไร อึดใจต่อมานั่นเองเสียงไรเฟิลจากรับพินภัยวันผู้ล้าหลังอยู่ยังบริเวณปากทางก็ระเบิดกลกกล้องขึ้นดังสะท้อนเข้ามาได้ยินถนัดรับพินชายยานผู้วิ่งตะลุยตามหลังผ่านพื้นเมืองไปหยุดชะงักร้องลั่นขึ้นอย่างตกใจหันหลังกลับซึ่งก็ประทะ ก, กับเชษอาที่ล่นตามมาติดต่างจับแขนกันไว้มัน่นรับพินอยู่ไหนเสียงปืนดังอยู่ข้างนอกอยู่ปากถ้ำเขาบอกให้เราล่วงหน้ากันเข้ามาก่อน เชิฐาตอบกลัวเร็วยังไม่ทันจะขาดเสียงต่างก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดขึ้นอีกนัดหนึ่งคราวนี้รู้สึกว่าจะย้ายเข้ามาดังอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของถ้ำตรงบริเวณด้านหน้าแล้วก็มีเสียงตะโกนแว่วแเข้ามาไม่ต้องห่วงผมผมจะพยายามปะทะไว้หนีต่อไปให้เร็วที่สุดมันกำลังจะบุกเข้ามาในถา้าไปเชิดาชัยยันร้องเตือนกระชากแขนสหายให้ออกวิ่งต่อไปแน่แน่ละ ทุกคนเต็มไปด้วยความห่วงหน้าพะวงหลังและห่วงกันเองเหลือที่จะกล่าวได้แต่ในภาวะเช่นนี้การลังเลหรือตัดสินใจช้าแม้แต่วินาทีเดียวมันหมายถึงชีวิตและต่างก็ได้รับการฝึกปลือตลอดจนทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมาเป็นอันดีแล้วจะมารีรอภพาะว่พะวงอยู่ไม่ได้ปากถ้ำด้านหนึ่งรัฐินภัยวันเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ประจันหน้ากับมหาภัยพี่บตศซึ่งเขาอ่านออกและแลเ ห, เห็นชัดอยู่คนเดียวอย่างใกล้ชิดที่สุด กระสุนนัดแรกที่ลั่นขึ้นเป้าหมายก็คือเจ้าโคชสารตัวแรกสุดที่โผล่ล้ําเนินเข้ามายัางลานหน้าถ้ามันหลุดล่วงไห้พื้นลงไปในทันทีที่ขาคู่หน้าก้าวเหยียบขึ้นมาแต่แล้วขณะที่เขากระชากลูกเลื่อนสลัดปอกทิ้งนั่นเองตัวที่สองสามและสี่ก็ดาหน้ากันเข้ามาอย่างชนิดที่ลูกปืนปจากความหมายสําหรับพวกมันพากันวิ่งดาหน้าตรงเข้ามายัางปากทางเข้าอย่างแสดงให้เห็นว่าหนทางรอดจากไปนรกของมันอยู่ที่การพาตัวสมสารเข้ามาในถ้ำ เช่นเดียวกับมนุษย์นั่นเองและบัดนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้ำนั้นจะต้องมีทางทะลุออกไปยังที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่หลีกให้คนจากไฟ ป, ป่าอันลุกลามอยู่รอบทิศในขณะนี้ได้มิฉะนั้นโครงช้างนี้จะไม่มุ่งหน้าเข้ามาเลยอาจจะเป็นหนทางเบรนทัยของมันเดิมอยู่แล้วสถานการณ์ร้ายขีดสุดก็คือมนุษย์หนีล่วงหน้าเข้าไปก่อนในหนทางอันแคบจากัด และเป็นทางเดียวโดยมีโคงมหือมาของพวกมันแล่นตามติดเข้าไปสิ่งที่มองเห็นอยู่ในอนาคตอันใกล้ก็คือทั้ง11ชีวิตมีวังถูกเหยียบขยี้แหลกเป็นผุยผงภายในอุโมงค์นี้ตามใดก็ตามที่มนุษย์ไม่มีความสามารถจะหยุดยั้ยงการขับไล่ของมันได้เท่าเท่ากับที่เดินในถ้ำนั้นได้ช้ากว่าพวกมันอุปมาไม่ผิดอะไรกับรถไฟทั้งขบวนที่กวาดไล่ตามหลังมาบนรางอันเดียวกัน เป็นครั้งแรกในชีวิตที่คนอย่างรับพินภัยวันคิดถึงพระ อ, อรหันต์คิดไปถึงบุพกรรมและบาปเวรที่ตนอาจเคยก่อไว้แล้วก็เอาดวงชะตาขึ้นมาเสี่ยงอธิษฐานเรียกสติสัมปชัญญะเข้ามารวมตัวมั่นเขาพร้อมแล้วที่จะตายอย่างจอมผ่านตายอย่างคนที่ตลอดเวลามาก็รู้สึกสำนึกตนว่ามีชีวิตอยู่เสี่ยงกับมลตยูแทบทุกลมหายใจเข้าออก แล้วพานใหญ่ก็ผ่าจากปากถ้าวิ่งเข้าไปหยุดคุมเชิงอยู่ด้านในซึ่งพักพวกล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วระยะห่างจากปากทางประมาณ30สิบหลามองเห็นปากถ้าทางเข้านั้นอย่างถนัดในแนวตรงควักลูกปืนมาถือพร้อมไว้ในมือเต็มกรรมํมาประทับพานท้ายขึ้นไหลจ้องตาลุกวาวรอจังหวะอยู่นาทีต่อมาเขาก็เห็นศีรษะอันใหญ่โตราวกับเงาราวหูเหล่านั้นโผล่ล้ําเข้ามาและพินลั่นไกทันทีพอตูม สีดอใหญ่ตัวนั้นก็หุบถล่มลงขวางปากถ้ำเขาสลัดปอกอย่างเร็วที่สุดในการยิงแล้วปล่อยนัดที่2และ3ออกไปตามลำดับหนึ่งนัดที่ระเบิดสทานสะเทือนจนหูดับหมายถึงเจ้าโคตรสารตัวหนึ่งที่กองลงไปกับพื้นบริเวณที่มันพยายามจะแล่นสาเข้ามาแล้วถอยลึกเข้าไปตั้งหลักมันจุ ก, กระสุนกระหน่ายิงออกมาอีก เขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันโดยตรงแต่ต้องการใช้ซากอันใหญ่โตเหล่านั้นล้มลงขวางปากทางเข้าเป็นอุปสรรคหรือรั้วกัน้นไม่ให้พวกมันวิ่งประดังตรงเข้ามาได้ผ่านเข้ามาสะดวกรวดเร็วนะตัวหนึ่งล้มอีกตัวหนึ่งก็เหยียบไตศบเพื่อนเข้ามาอย่างไม่ยอ่อท้อรังรอ ทางแผดเสียงร้องแหลมอย่างตื่นตนกหยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรมายับยั้งมันได้ตัวที่2มันจะกองทับตัวแรกช่วยให้กำแพงขวางกั้นนั้นสูงขึ้นรับพิมยืนกัดการามแน่นเขายิงและยิงยิงอย่างเฮี้ยมโหดที่สุดเพื่อการมีชีวิตรอดของตัวเองกับผู้ที่ตกอยู่ในความรับผิด ช, ชอบทุกคนด้วยความหวังอันลือนลางว่าหนทางของอุโมงค์มันไม่กว้างขวางมากนะักช้างป่าเหล่านั้นไม่สามารถจะบุเข้ามาคราวเดียวกันได้มากๆไปกว่าการเรียงสองและซาก อันล้มถล่มกายกองซ้อนทับกันของพวกมันบางทีจะเป็นรั้วปิดทางก็ได้สําคัญอยู่ที่ว่าเขาจะต้องเลือกยิงให้มันล้มกองสุงทับกันอยู่ในตําแหน่งเดียวมนุษย์สแสวงหาทางเพื่อมีชีวิตรอดสัตว์อันเป็นโครงช้างเหล่านี้ก็อยู่ในความหมายจุดเดียวกันความจําเป็นที่จะต้องประหัดประหารซึ่งกันและกันก็เพราะต่างมีความหวังอยู่ที่หนทางหลบภัยเดียวกันนี้เท่านั้นเป็นการชิงโอกาสเพื่ออยู่รอด แล้วความหวังของรัพย์พินก็มอดดับไปโดยสิ้นเชิง เมื่อเห็นความพยายามของโคชสารโครงนั้นที่ล้มก็ล้มไปที่ประดังประเดผักกันจากเบื้องหลังก็หนุนเนื่องกันเข้ามาราวกับระรอกขึ้นพอติดชะงักอยู่กับซากของเพื่อนที่สมกองอยู่พวกมันก็ช่วยกันผลักดันชุดกระชากออกจากแนวกีดขวางแล้วตะลุยเข้ามาอีกเสียงร้องของพวกมันดับโสตประสาทของเขาหมดสิน้นขณะที่หันหลังกลับออกวิ่งเท้าอันใหญ่โตคู่หน้าของตัวที่ไล่หลังใกล้เข้ามาที่สุดห่างจากเขาไม่เกิน15วาแล้วรับกิน ก็กวดมาทันพักพวกทุกคนที่กำลังตะเกีตะกายกันอยู่ตะโกนบอกขึ้นสุดเสียงว่าระวังมันตามเข้ามาถึงตัวแล้วชษฐาอันเป็นคนรั้งท้ายสุดแว้งตัวกลับมาพร้อมปากกระบอกของจุด 460กระแทกพานใหญ่ปิวออกไปทางด้านหนึ่งคันแล้วกระสุนนัดนั้นก็ประทุคืนขึ้นโดยมีลํากล้องห่างจากตายงวงเพิงฝ่ามือเดียวเปลี่ยนไม่ผิดอะไรกับขวานมหายักษ์ที่จามผ่าลงไปกลางกระโหลกเจ้าอัยรามันถอยพังก์กับสองเท้าแล้วล้มแผ่นดินสะเทือนขวางหน้าเพื่อนที่ตามกระชันชิตเข้ามาไว้ช่วยตัวเองโดยอิสระตัวใครตัวมันนั่นเป็นเสียงประกาศกึกกล้องของเชษฐาครั้งสุดท้ายแววมากระทบหูของทุกค น, ก, คนก่อนที่โลกในสวนแคบๆ นั้นจะถล่มทลายลงท่ามกลางมิกสัญญีอันมืดมิด บนความโอลห์มานชนิดลำดับภาพไม่ถูกนั้นทั้งหมดมองไม่เห็นชะตากรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพรรคพวกคนใดทั้งสิน้นนอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นใต้ที่ถือสองสว่างลางๆในมือของจันทร์ตกลงกับพื้นแล้วต่างก็กระสึกกระสนเอาตัวรอดไปสุดแต่สัญชาติตยานจะบังคับหมดโอกาสจะให้การช่วยเหลือใดๆกันได้ทั้งสิน้นรับพินภัยวันจำได้เพียงแต่ว่าเขาวิ่งเข้าไปยังช่องทางแยกด้านซ้ายมืออันหมายตาไว้ก่อนแล้วโดยมีเงาเมฆึือมาของโคชสา วิ่งไล่มาติดๆเท้าจรตากายพาตัวเองโลดแล่นไปได้สักกิเก้าวก็ไม่ทราบได้ทันใดก็ปะทะเข้ากับแง่งหินที่โผล่ยื่นล้ำออกมาถึงขั้นกระดอนหงายหลังเสส่วนตักไปยังหนทางอันเทลาดเต็มไปด้วยความลื่นช่วงหนึ่งแล้วก็เหยียบวูบลงไปในอากาศอันว่างเปล่าหาที่กำหนดไม่ได้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 ประดุดคนที่ค่อยๆตื่นฟื้นขึ้นมาจากความฝันอันวุ่นวุ่นทรมานประสาทแรกที่รับรู้ก็คือความเจ็บปวดรวดรล้าและเมื่อยขบไปทั่วสันพางเหมือนกับว่าร่างกายจะถูกแยกชิ้นส่วนออกจากกันประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ชาดิกมึนตื้อไปหมดและอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็รู้สึกตัวในความขัดยอกเจ็บปวดนั้นขึ้นมาอีกมันสลับกันอยู่เช่นนี้สติสัมปชัญญะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างอาการรับรู้กับอาการเลื่อนลอยเวื้งว้างนี่เขาเป็นอะไรอยู่ที่ไหน นานต่อมาอีกสักเท่าใดก็ไม่ทราบความรู้สึกอันขัดขาดหายหายนั้นก็เริ่มจะจำชัดขึ้นทีละน้อยแล้วมันก็คืนเข้าสู่เจ็ดสิบครบถ้วนเหมือนดวงไฟที่ถูกปิดเข้ามารวมจุดสัมผัสแรกทางสรีระก็คือความเย็นช่าของน้ําที่หยาดหยดลงกระทบกลางใบหน้าเป็นจังหวะทีละหยดแขนขาขัดยอ่อจนไม่แน่ใจว่าจะกระดิกกระดิ้วเคลื่อนไหวได้หรือไม่ต่อมาส่วนที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือบริเวณศีรษะมันหนักหน่วงมึนงงไปหมด เสียงแมะแมทที่ประสาทหูสดับต่างได้ในขณะนี้ก็คือน้ำที่หยดลงกระทบใบหน้านั่นเองครั้นแล้วความรู้สึกถึงความเย็นชื้นที่อาบไปตลอดทั้งกายจอมพันค่อยๆเปิดเปลืกตาอันหนักอึ้งขึ้นอย่างยากเย็นแล้วขยายกว้างพยายามลืมเต็มที่สิ่งแรกที่เห็นอย่างพลารลางคือรากไม้ขดงออันหนึ่งลอยอยู่เหนือใบหน้าซึ่งอยู่ในลักษณะนอนหงายของเขาห่างขึ้นไปประมาณ3ฟุตมีน้าเคลือบ เปียชุ่มอยู่ตรงส่วนที่ย้อยต่ำสุดนั้นและรวมตัวกันย้อยเป็น ห, หยาดหยดลงมาบนหน้าผักเขาพอดีนานๆครั้งตอนหนึ่งหยดแต่ก็สม่ำเสมอและคงจะพรมให้อยู่เช่นนั้นตลอดไปชั่วก า, ปวาลปาวสาสรหากว่าเขาจะนอนหงายเอาหน้ารองรับอยู่เช่นนี้ตลอดไปแสงสว่างลัวๆอันช่วยให้มองเห็นนั้นจะมาจากทางใดก็ไม่อาจบอกได้แต่มันก็ยังพอมีอยู่รําไรรุปงร รัพินภัยวันนอนลืมตาโพงพินิจดูสิ่งแรกที่จักสุ ร, รับภาพได้นั้นไม่แน่ใจตนเองว่าเขาอยู่ในโลกไหนตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่รัพินภัยวันเขาเอ่ยออกเสียงขนาดนาำของตนเองประสาทหูรับเสียงอันแหบพร่าของตนเองนั้นไว้ได้ดารินวราริศ อีกคำหนึงที่ทดลองใช้เสียงผ่านลําคอออกมานั้นเขาก็ได้ยินเสียงของตนเองอย่างแน่ชัดอีกต่อจากนั้นก็ทบทวนเรียกชื่อผู้ร่วมคณะไปทีละนามจนครบทั้ง11คนและสุดท้ายเขาก็เอ่ยเรียกแง่ทรายถูกแล้วเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่รอดในขณะนี้พร้อมทั้งความทรงจําทั้งมวลครบท่วนทุกประการ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 พบว่ารางของเขาขณะนี้นอนติดอยู่กับสายระยองระยางอะไรชนิดหนึ่งลักษณะยวดหยาบไหวแกว่งได้เหมือนกระเช้าถักและมันก็คือรากไม้กับเถาวันที่เกี่ยวพันประสานกันอย่างหนาแน่นโดยงอกออกมาจากผนังหินที่แวดล้อมรอบตัวของก้นป่องเหวที่ใดที่หนึ่งแสงสว่างสลัวรางทอดลงมาจากระดับที่สูงขึ้นไปประมาณห้าเมตรและเบื้องล่างมองเห็นเป็นพื้นหินระคนกลกรวดแฉะชุ่มมีลําแสงจางๆกระจายอยู่ทางซอกด้านหนึ่ง ตองที่ลงมานอนติดค้างเถาวันอยู่นี่เป็นวงกลมตะปุ่มตะปั่าขรุขระจากแง่หินที่โผล่ล้ำชงโงและเว้าเข้าไปอย่างปราจากระเบียบเส้นผ่าศูนย์กลางราวสองเมตรเศษ เขารอดตายจากร่างกายเหลวแหลกเป็นพัทมัทุรีได้อย่างปฏิหาริย์ก็เพราะกระเช้าถาวันและลากไม้ที่แปดสภาพเป็นเปรกู้ชีพซุ้มนี้เองการเคลื่อนไหวอย่างตื่นตัวของเขาทำให้เปรยธรรมชาติที่นั่งอยู่ไวลู่ทำท่าจะคลายตัวออกแล้วผินกั้นใจหยุดนิ่งอยู่กับที่เอามือยึดตั้งหลักไว้มั่นแล้วก็ใช้เวลาอันตั้งสติเที่ยงนั้นไข้กลวนพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบตัว นี่เขาหลุดล่วงลงมาจากไหนและมาติดอยู่ที่ได้อย่างไรมันลึกล้ำห่างไกลจากที่เขาพัดลงมาครั้งแรกสักเท่าใดเหนยหน้าสำรวจขึ้นไปจอมพานก็ต้องหลับตา น, นิ่งไปอีกชั่วขณะหนึ่งเขามองไม่เห็นอะไรเลยบนด้านศีรษะที่เป็นป่องสูงขึ้นไปนั้นเพราะมันมืดมิดเหมือนผ้าดำคลุมหีบศพ เสียวปราบที่ศีรษะด้านหลังเตือนความเจ็บปวดขึ้นมาอีกพอเอามือคลำสำรวจก็พบเลือดอันอาบโชกเหนียวเน่ะและเลอะรอยแผลแตกมันอาบชุ่มไปทั้งเสื้อด้านหลังที่สวมอยู่ไม่มีปัญหาระหว่างที่หลุดลอยเคว้นคว้างลงมาศีรษะของเขาจะต้องฟาดกระทบเข้ากับแง่งหินและน็อปสลบไปในทันทีจากนั้นมันก็คงจะหล่นเปแตกลงมาตามบุญตามกรรมจนกระทั่งมาค้างอยู่ที่กระเช้าเขาวันนี้อันเปรียบเสมือนเครื่องผ่อนแรงรับเอาไว้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 เ่มมองเห็นความหวังขึ้นมาจากความมืดมิดทั้งมวลที่แวดล้อมอยู่แล้วขณะจิตนั้นเองเขาก็คิดไปถึงคณะพักพวกผู้ร่วมตายทุกคนฐานนี้ คนเหล่านั้นจะกระจัด ก, กระจายแยกย้ายกันไปอยู่ที่ใดประชิญกับชะตากรรมเช่นไรบ้างความคิดชนิดนั้นทําให้ต้องนิ่งตะลึงไปอีกยากที่จะมีใครเหลือชีวิตรอดอยู่ได้นอกจากตายกันไปหมดแล้วถ้าไม่ถูกโคลงช้างที่แล่นตะเตลิดตามหลังมาอย่างกระชันชิดเหยียบย่ําละเอียดเป็นผงก็คงจะหลุดร่วงกันลงไปในป่องเหวภายในถ้าซึ่งเชื่อว่าคงจะมีอยู่แทบลุกฝีก้าวย่างแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเชื่อว่าอาจจะมีใครรอดตายไปได้บ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาเองก็ยังรอด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 มีข้ออุปมาอุปไมยกันเป็นสำนวนว่ามืดมิดอับจนเหมือนตกอยู่ในก้นเหวในภาวะของรับพินภัยวันบัดนี้ไม่ต้องอุปมาแล้วเพราะเขาได้มาตกอยู่ในก้นเหวจริงๆเหวซึ่งไม่ทราบว่ามันลึกลำสักแค่ไหนและจะหาทางขึ้นไปได้อย่างไรมารว่าชะตาร้ายมีตัวตนให้มองเห็นได้ในขณะนี้เขาก็อยากจะยืนขึ้นและโค้งคำนับให้อย่างงดงามที่สุด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 นี่คือสิ่งที่เขาถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดโกโ ก, โก้ของนักวาทะที่ใช้ชีวิตในเมืองเพราะคนเหล่านั้นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไปบนที่นอนอาจยังไม่เคยได้เข้าใจถ่องแท้เลยว่าการต่อสู้เพื่อชีวิตจริงๆนั้นมันเป็นเช่นไรการที่มัวคิดถึงเหตุการณ์ด้วยความสลดใจและปองวาสนาชะตากรรมของตนเองอยู่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้ทั้งสิ้นนอกจากเท่ากับเป็นการรอคอยวาระสุดท้ายแบบงอมืองอตีนเท่านั้น เขาอาจถูกขังตายอยู่ใต้แผ่นพิภพ บ, บาดา น, นี้โดยไม่มีโอกาสได้เห็นแสงตะวันอีกแต่นั่นมันก็หมายถึงว่าเขาได้ดินน้นรนจนลมหายใจช่วงสุดท้ายแล้วระดับที่กระเช้าเถาวัรแขวนอยู่นั้นมันไม่ห่างจากพื้นเบื้องล่างลงไปเท่าใดนะักจอมพานแกะสายเส้นหนึ่งของมันไว้ด้วยมืออันเหนียวแน่นแล้วค่อยๆหย่อนตัวเอาเท้าควานเหยียบพักพยุงกายลงบนแง่งหินที่งอกตะปุ่มออกมาภายหลังจากพยายามหยุดคู่เดียวเขาก็ทิ้งกายลงมาถึงพื้นแคบๆอันเชื้อแฉนั้นได้ มีตาน้ำซึมแอ่งเล็กๆอยู่ที่ริมผนังด้านหนึ่งกว้างประมาณฟุตเดียวและลึกแค่ฝ่ามือเขาก้าวกระโดดโผลเพตรงเข้าไปทิ้งตัวคุกเข่าลงกรอบน้ำใส่ปากดื่มกลัวคอแล้วลูบใบหน้าพยายามเรียกพระกำลังกลับคืนมาครั้นแล้วบัดนั้นเองสิ่งหนึ่งก็ผ่านแวบขึ้นสมองแสงที่ช่วยให้เขาสามารถมองเห็นอะไรได้ลางๆในขณะนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมาจากไหน รับกินกับกินฝีปากแน่นกว่าตามองไปรอบๆทันทีก็ไปสะดุดกึกเข้ากับวัตถุอะไรชนิดหนึ่งลักษณะยาวดำมะเมื่มวางอยู่ริมก้อนหินย่อมๆข้างผนังอีกด้านหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นหลังเต่าเหลือบเห็นในครั้งแรกเกือบสะดุ้งผงะแต่แล้วภายหลังเมื่อเขาจ้องก็แทบจะร้องอุทานออกมาดังๆ ด, ด้วยความยินดีนรกส่งเขามายังก้นบาดาลแต่สวรรค์ก็ไม่โหดร้ายเกินไปนัก วัตถุดำมืดมื่มที่โผล่ปลายด้านหนึ่งออกมาซึ่งมองทีแรกคิดว่าเป็นงูแท้จริงก็คือปากกระบอกของไรเฟิลจอมพลานคานเข้าไปที่มันโดยเร็วลากมันออกมาจากซอกที่หล่นอยู่อโฮวินเชสเตอร์จุดสีห้าแปดแมกนแอฟริกันประจมือของเขานั่นเองนอกจากด้ามไม้ที่มีรอยบิ่นไปเล็กน้อยนอกกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคงสภาพเดิมของมันหมด ระพินแยกเขี้ยวยิ้มออกมาได้ภายหลังจากตรวจมันจนแน่ใจแล้วเขาก็กอดประทับมันไว้กับอกราวกับสิ่งมีชีวิตปืนคู่ชีวที่กลับมาคืนสู่มือพรานมันก็เหมือนกับสิงหราชซึ่งสวมไว้แล้วด้วยเขี้ยวเล็บมีอะไรที่จะต้องยั่นระย่ออีกสำหรับอนาคตเบื้องหน้าไม่ว่ามันจะมาในรูปใด ด้วยความรู้สึกอันช่ำชื่นอบอุ่นเชื่อมั่นขึ้นขวัญและกำลังใจกลับคืนมาเป็นของเขาในบัดนั้นร้พพิ น, นั่งลงใช้สมองแก้ไขาภาวะอันอับจนของตนเองอย่างรอบคอบที่สุดไม่นานนักเขาก็พบรำช่องของแสงที่ลอดส่องเข้ามามันเป็นโพรงแคบแคบกว้างเพียงสองฟุตและสูงสอกเดียวอยู่ชิดระดับพื้นโดยทะลุเข้าไปใต้ผนังหินอันตันทึบใกล้เคียงกับแอ่งน้ำนั่นเอง ผ่านใหญ่ทิ้งตัวลงนอนพังภาพราบกับพื้นค่อยๆลอดศีรษะเข้าไปสำรวจเขามองเห็นก้นป่องเหวอีกส่วนหนึ่งซึ่งลอดทะลุเชื่อมกันโดยช่องนี้ปรากฏอยู่ข้างหน้าไม่ห่างออกไปนักและช่องนั้นก็กว้างพอที่จะเลื้อยตัวผ่านเข้าไปได้อย่างคลืออมันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือเลวลงเช่นไรก็ตามเขาก็ต้องตัดสินใจย้ายตัวเองโดยหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้อย่างช้ชาๆและยากเย็นที่สุด รพินเรยกระดึบเข้าไปลากไรเฟิลตามไปด้วยบางส่วนมันแคบตา่าจนเขาต้องใช้มือขุดกรวดและทรายให้เป็นช่องกว้างขึ้น